ปีนี้พระจําพรรษาที่วัดป่านาคําน้อยของเราเนี่ยทั้งหมดสี่สิบสามรูปแต่วันนี้มาฉันสามสิบสี่รูปขาดไปเก้ารูปตามพระที่เขารายงานอพระไม่มาฉันเก้ารูปท่านอดอาหารของท่านภาวนาของท่านหลวงพ่อบอกว่าจะไปฉันทุกวันนล้วแตให้ฉันจะหลวงพ่อก็พอละองคอื่นอดอดไปบ้าง พอปีนี้ทํานาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตามไม่จริงการอดอาหารสําหรับพระป่าเป็นของธรรมดาสมัยหลวงพ่อไปเที่ยวทุ้ดงในป่าบางทีก็อดอาหารสามสี่ห้าวันออกมาฉันครั้งหนึ่งเจ็ดวันฉันแต่ว่าอยู่ในป่าไม่เคยอดนานประมาณเจ็ดวันเป็นอย่างมากโ ด, ดมากสามสี่ห้าวันก็มาฉันพราะเราไปอยู่ในป่าเนี่ยอาหารก็เล่นแค้นอยู่แล้ว บางทีไปอยู่เดือนสองสามเดือนนุไปอยู่เที่ยวทุดงไปโดยมากก็มีแต่พวกข้าวกับผักพวกน้ํำพริกไปอย่างนั้นน้ำอ้อยน้ําตาลไม่มีถ้าอยู่ในวัดอย่างนี้เวลาอดอาหารนะยังมีน้ําตาละยุง น, น้ําตาลหนึ่งช่วยแต่เยอะนะพอตกตอนเย็นดื่มน้ํำขิงน้ําชากาแฟบ้างแต่ชากับกาแฟนะ่ยจะไปชงเข้มข้นไม่ได้เล นอนไปหลับแหววัฒนาตของเรามันอ่อนอยู่แล้วคือเราไม่มีอาหารอยู่ในท้องอยู่แล้วจะไปฉันกาแฟให้เข้มข้นไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้าเองง่ายๆงหมือั้นเถอะสมองตาแข็งขึ้นเลยเั้นเถอะเนี่ยเพราะนั่นถ้าถ้าจะฉันก็คือฉันน้ําตาลและกับน้ำกาแฟนิดหน่อยเพราะมันมีกลิ่นทั่นเองพอให้ดับน้ำํำนี่ก็ใส่น้ําตาลอันนี้ถ้าอยู่ในวัดนี่บางทีท่านก็อดอาหารได้นานอันนี้ก็มีหลายองค์ไม่เห็นมานานแล้ว เกเป็นอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์ก็มีอดอาหารเพื่อภาวนาแต่ถ้าหากว่าฉันแนวทางพระเนี่ยนะมันไม่ใช่แนวทางที่สะดวกสบายนะเอ๊ไอ้ว่าต้องเป็นผู้อดทนมางั้นเถอะใช้ขันติคือความอดทนอย่างพระพุเทธเจ้าของเราเนี่ยท่านอดอาหารถึงสี่สิบวันแต่นั้น พระพุอง์ก็บอกว่าเป็นอัตกิลมัฐานุโยกการพรมากายให้ลำบากเปล่าโดยที่ไร้ประโยชน์แต่นี้พระพุทธเจ้าท่านอดสมัยนั้นท่านอดไม่ได้ภาวนาไม่เทาอดอาหารเพื่อให้กายหมดสภาพและจิตใจจะหลุดพ้นจะเป็นผู้บริสุทธ์เองแต่นี้แนวทางของอครูบาอาจารย์ที่ท่านอดอาหารทำไมท่านจึงอดพระพุทธเจ้า ท่านบอกไว้แล้วว่าอาจเป็นอัตตกิลมัานุโยกแต่ทาไมพระท่านยังอดอาหารอันนี้คือวิธีการสำหรับปฏิบัติของพระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือบางองค์อดนอนอย่างพระจักคูบาลในครั้งพุทธจารย์อดนอนสเดือนท่านภาวนาได้สำเร็จมรรคผลแต่มายุคสมัยนี้อย่างหลวงปู่ขาวนี่ท่านว่าท่านอดนอนได้กาลัง ทำความภาคเพียรอดนอนอแล้วก็ได้กำลังทางด้านจิตใจแต่สำหรับหลวงตามหาบัวและองค์อื่นๆหลายองค์ท่านบอกว่าอดอาหารถ้าฉันอาหารอิ่มเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วตาปีเลยทำงั้นนะมันอยากจะหลับไปนั่งภาวนาที่ไหนมีตะง่วงเพราะนั้นถ้าอดอาหารสักสองสามวันเนี่ยอาหารไม่มีอยู่ในท้องเยไปนั่งภาวนาที่ไหนเอมันจะไม่ง่วง ความง่วงจะไม่มาทับสมร่างกายและจิตใจเขโดดเด่นสติก็มั่นคงจติตเนวแน่เพราะนั้นการอดอาหารเนี่ยถกกับจริตของเราคือเวลาการจะทําความภากเพียนก็เหมือนกับการทํามาค้าขายนะบางคนค้าขายเกี่ยวกับรถเจ๊งก็มีบางคนค้าขายเกี่ยวกับของชําเจ๊งก็มี บางคนค้าขายเกี่ยวกับข้าวเจ๊งก็มีไอ้บางคนค้าขายเกี่ยวกับทำไร่ทำสวนเจ๊งก็มีแต่บางคนกับเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เหมือนกันการทําความพักเปลียนของพระก็ลักษณะเดียวกันเราจะไปถือเสมอกันไม่ได้บางองค์ก็เออเหมาะในการที่จะอดอาหารบางองค์ก็ไม่ถึงกับอดแต่ผ่อนอาหารอืมแต่ถ้าหางว่าทานเต็มที่นะโดยมากจะไม่ได้ผลเหมือนกันแต่มีแต่กินกับ น, นอนก่อนแล้วนินกินแล้วนอน แค่นั้นเองเพราะฉนั้นพระที่ท่านอยู่ในป่าเนี่ยท่านจึงทดสอบในการอดอาหารภาวนาของท่านอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยวันนี้ก็มีพระอดอาหารเก้าองค์นะเพราะหลวงพ่อเคยอดมาก่อนแล้วนะสาหรับหลวงพ่อเองเนี่ยเคยอดถึงยี่สิบห้าวันคือไม่ฉันอาหารแต่ก็ฉันน้ํานะน้ำในฉันอยู่อแต่ว่า โกโกาแฟก็มันมีก็ฉันในยุคนั้นมันก็หายากพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลามาถึงยุคนี้หลวงพ่อเออเวลาการทําความเพียร น, นะภาวนานะต้องทดลองดูนะต้องทดสอบดูนะเนีไม่ใช่ว่ากินธรรมดาฉันธรรมดานอนธรรมดาแล้วจะเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงอันนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะทดสอบในการประพฤติธปฏิบัติของตนการอดอาหารเป็นยังไงการอดนอนเป็นยังไง หลวงพ่อบอกว่าอย่างน้อยอืพระที่บวชใหม่พระนวากะหลวงพ่อก็ให้อดนะ่ถ้าว่ามาอยู่วัดป่านาคําน้อยแล้วไม่อดอาหารเนี่ยอืมไม่เว้นเฉลยเนี่ยแปลว่าคนนั้นองค์นั้นไม่เคยบวชผ่านวัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อวางอันนะ่ะ <c> จ <oughs> ต่ไงก็ต้องให้อดทดสอบดูการทดสอบคือเราไม่ได้บังคับแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าขันติคือความอดทนของเรานะ่ะ มีมากน้อยแค่ไหนคือถ้าว่าบางคนไม่เคยอดอาหารเลยเป็นครว่าต์นะทำไม่ได้ทานอาหารมื้อเดียวนี่โอโ้โหอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโทโสเห็นใครขวางตาไปหมด อ, อยากจะเตะอยากจะทีบอยากจะฆ่าไปหมดว่า ง, งั้นเถอะนี่แต่ถ้าเราเคยอดอาหารเมื่อเราเป็นพระอย่างเนี้ยเราจะได้ดูใจของตนเองเวลาอดอาหารวันหนึ่งมันเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันเป็นยังไงถ้ามันหิวเราออกไปฉันซะ อ่าไม่เป็นไรหรอกเพราะท่านเคยอดมาแล้วเนี่ยไม่ตายแน่แ น, แน่วะงั้นแต่เออมีตะวันจะยังทางจิตใจของตนเองขนาดมีขันติขนาดไหนเออถ้าเผื่อว่าออกไปเป็นคราวานบางทีเราไปติดเที่ยวรถอยู่กลางตรงกลางปา่าหรือว่าไปทําธุรการงานหรือว่าธุรการงานไม่เสร็จอืจะต้องรีบทําแต่มันไม่เสร็จเอืมอาหารมื้อนี้เบนไปก่อนว่ะเออเพราะว่ามันเร่งงานเหลือเกินเราจะต้องทําให้เสร็จ ไม่ตายหรอกสมัยรู้เงเราบวชเราอดอาหารทั้ง3ามสีวันไม่เห็นตายเราอดมือเดียวเป็นไรไปนี่อันนี้คือความคันติตัวนี้จะใช้ได้ไปตลอดนานเท่านานแต่ถ้าเราไม่เคยอดอาหารเลยเนี่ยจะไม่มีเลอพออดอาหารหน่อยเดียวเท่านั้น่ะอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วทําอะไรไม่ถูกหล่ะโมโหโทโสไปหมดมเขาจึงมีนิทานที่จังหวั ด, ดยโสธร ของเข้าน้อยค่าแม่ตายพรเนี่ยขพรความหิวนี่ยนะไปไถนาแต่เช้าลูกชายนะเราแต่เช้ามืดไปไถนาพอไปไถนาเลยคอยแม่เอ๊ะทำไมแม่ทําไมไม่มาง่ายคอยเลยเอ๊ะทาไมแม่ไม่มาแม่ก็คงจะติดธุระบางอย่างนั่นแหะเพราะคนเราบก็อย่างว่าบางทีก็ติดน้ําบางติดอะไรบางมันไปไม่ได้แต่ลูกชายมันหิวน่ะมันไม่ได้คิดอะไรไมีแต่หิวมีแต่อยากอย่างเดียว ตอนี้พอไปถึงก็เอาข้าวไปส่งลูกชายเนะี่ยกองข้าวก็เพียงน้อยเนี่ยเอีข้าวเหนียวนะ่ะกล่องข้าวน้อยว่างั้นนแตอพอลูกชายเห็นกล่องข้าวเท่านั้นโอ้โหข้าหิวขนาดนี้ทําไมแม่เอากล่องข้าวน้อยเหลือเกินมาให้เราเรากินไม่อิ่มแน่แน่เนี่ยว่างั้นพอแม่เอามาให้โมโหขึ้นมาเอกดาแม่ทําไมเอากล่องข้าวน้อยเหลือเกินเอมากระมาใช้สายอีกต่างหาก โมโหให้แม่แม่ก็บอกว่าถึงจะ ก, กองข้าวน้อยก็จริงอยู่แต่แม่ยัดแน่นมากให้กินก่อนเธอลูกเออมีอะไรยังค่อยว่ายังไม่กินข้าวนย่ย อ, อย่าไปอย่าไปพึ่งโมโหให้แม่แม่ยัดในข้าวเหนียวให้แน่นมากกิดไม่หมดตกลูกลูกมันตาบลุกเป็นไฟยังไม่มีขันติอย่างที่ว่าเนี่ยโมโหให้แม่ก็เลยจับเอาแอกที่ไถนาในที่ใส่คอควายนั่นอ่า ใจหัวแม่เลยแม่ก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วตัวเองยังมามีใจมากินข้าวอยู่ได้นะพอมากินข้าวเสร็จแล้วกินไม่หมดเสร็จแล้วบาดเนนะี่ยเพราะมันแม่มันยัดเข้าไปในกล่องมันแน่นจริงๆกินเท่าไรไม่หมดพอ ก, กินไม่หมดคิดถึงบุญคุณของแม่บาดนะตายข้านี่ทําเกินไปแล้วเออก็เลยสร้างเจดีย์ให้แม่ว่างั้นเถอะเออที่ยะโสทธรเนนะี่ยเขาว่าเจดีย์กล่องข้าวน้อยเออ เราไปเยเโซธรไปถามเนะ่ยเขาจะรู้จักจังหวัดเยเชโซธร น, นะเจดี <Yeah. S 1> กองเขาน้อยสร้างขึ้นนกเขาเหินสูงขนกนกเขาเหินคือ น, นกเขาเน่ย mm hmm. นั่นนะ่ะสูงขนาดนั้นว่างั้นเถอะเอออันนี้ก็คือขาดคันติคือความอดทนอถ้าหิวขึ้นมาแล้วตาลุกเป็นไฟหมดเห็นแต่ hmm. แล้วจะสร้างเจดีสสร้างขนาดไหนก็เถอะไม่ใช่แต่เพียงนกเขาเหินเท่านั้นนะนะสูงจอดฟ้ามันก็ จะลบล้างบาปกรรมที่ตนเองกระทำไปไม่ได้อันนั้นเปลว่ามาตุคาดขฆ่ามารดาเป็นบาปที่สุดในของหลักของพุทธศาสน า, ศาห้ามสวรรค์ห้ามานิพพานตั้งอยู่ในปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสน า, ศาแปลว่าดวงวิญญาณนั้นนับหนึ่งใหม่บุญกุศลที่ได้มาแปลว่าเอาไฟจุดเล้าเผาเรือนหมดวงั้นเถอะเอเผาหมดทุกอย่าง แปลว่านับหนึ่งใหม่การทํามาค้าขายใหม่นับหนึ่งใหม่แต่ว่าก่อนที่จะนับหนึ่งใหม่เขาจับไปลงโทษลงตกนรกหมกไหมเนี่ยพอแรงเลยนะตามหลักของอพระพุทธศาสนาอย่างพระโมคคาอย่างนี้ข้าพ่อข่าแมต่ตกนรกไม่รู้เท่าไหร่ตกเวจีมหานรกเท่าไหร่พอพ้นมาแล้วก็ถูกฆ่าตายเนีเป็นชาติที่ร้อยมั่งพระโมคคาถ้าหากว่าท่านยังไม่พ้นทุกข์นะ้ายังไม่เป็นพระอรหันตะ์ท่นานก็จะต้องใช้กรรมอีกต่อไป แต่แตอนนี้ท่านหมดกิเลสไปแล้วกรรมทั้งหลายเลยตามไม่ทันเป็นเอาโหสิกรรมไปกรรมให้ผลสาเร็จคล้ายๆกับว่าตามไม่ทันนี่แหละอันนี้อันที่คือการมาตุค่าตฆมารดาปีตุคา่าฆ บ, บิดาอรหันตคาตฆพระหันโลหิตตุบาตทําร้ายพระพุทธเจ้ายังพโลหิตให้ห่อขึ้นไปสังฆเพศยังสงให้แตกกันนี่เป็นบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนา นี่อันนี้ก็คือที่กล่าวมาเบื้องต้นก็คือเรื่องพระอดอาหารเพื่อจะได้ทดสอบในความอดทนของตอนเองในภาคปฏิบัติมากไปกว่านั้นแต่ถ้าว่าเราทานอาหารตามปกติฉันตามปกติอันนี้ว่าพูดเรื่องพระนะเพราะท่านอยู่ในป่ามีทุรน้อยธุระของท่านคืออะไรไม่ใช่ธุระการงานไม่ใช่ทำการทำงานพระนะท่านจะดูทางด้านจิตใจของท่าน มองที่จิตใจของท่านพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองที่อื่นให้มองที่ใจมโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสียธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดวยใจแต่พวกเราทั้งหลายก็วัดสมองนะสมองเป็นผู้คิดแต่ในหลักพุทธศาสนาพันวาดใจหนึออ่ง สมองน่ะเป็นเครื่องมือเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นน่ะแต่คนที่ใช้ก็คือคนไปกดคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เหมือนกันสมองก็เหมือนอยู่ในร่างกายแต่ผู้ที่มาใช้สมองนั่นคือใจเป็นนามธรรมามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มีใจดวงนั้นมีพลังมากดคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็สั่งการสั่งงานออกมาอันนี้คือทางโลกทุกวันนี้เขาวิวัฒนาการ พิจารณาไปหรือว่าคิดไปพิสูจน์ไปตรวจสอบไปอถึงแต่สมองยังไม่ถึงใจว่างั้นเถอะไอ้คนที่มาใช้สมองนั่นคือใครอันนั้นยังยังไปไม่ถึง เ, เพราะฉะนั้นต่อไปภายภาคหน้าถ้าเขาพยายามอยู่คงจะถึงเลยไปถึงใจแล้วนี่ไก่อนที่จะไปถึงใจได้จะทํำยัำยงไงต้องนั่งสมาธิได้ ต้องมีหลักพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาก่อนแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวยง ต, วงตัวเอกมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าสมองนี่คือตัวหนึ่งเป็นตัวที่รับรองในการใช้งานส่วนใจนั้นเป็นผู้ใช้สมองอีกทีหนึ่งสมองเป็นผู้สั่งงานเพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นผู้สั่งงานถ้าว่า ใจที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีละเหมือนกับชายหนุม่มที่ว่าฆ่าแม่สั่งมือออกมาให้ฆ่าแม่เนี่ยมันก็ออกมือแขนออกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าแม่แต่จริงๆริเพราะออกมาจากใจแต่ถ้าว่าใจเป็นกุศลใจมีเหตุมีผลแล้วคิดอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นศีลเป็นธรรมหมดอันไหนควรยับยั้งอันไหนควรคิดอันไหนควรทํานั่นอยู่ที่ใจทั้งหมดเอพราะพุทธศาสนาท่านจึงสอนลงที่ใจเลย เออท่าม่ได้สอนคนตายว่างั้นแต่สอนคนเป็นสอนคนเป็นก็ต้องสอนที่คนมีสติสมบูรณ์เออสอนที่ใจเอาธรรมะเข้ามาสอนที่ใจเออใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเออเพราะนั้นเออหลักของพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยรวมลงอยู่ที่ใจเอ่อกายวิจาร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ของใจนะ แต่ทางโลกวิชาทางโลกทางหลายที่พวกเราเรียนมาทั้งหมดมิได้เรียนออกไปข้างนอกเรียนออกไปข้างนอกมองไปข้างนอกนะแต่หลักของพุทธศาสนาให้มองย้อนเข้ามาหาใจใครเป็นคนรู้เป็นคนมองใครเป็นคนมองไปข้างนอกเหมือนกับไฟฉายไฟฉายเราส่องไปมันส่องไปข้างนอกได้แต่หลักของพุทธศาสนานี่ ต้องมองว่าไฟฉายแสงออกมาจากไหนมันปรากฏออกมาจากไหนจุดนั้นคือหลักเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะต้องพิสูจน์พิสูจน์ที่ใจการหลักพิสูจน์ก็คือพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้ว เ, เมื่อสองพันห้ากว่าปีท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพท่านดูใจของท่านเลยสําเร็จแล้วที่ใจได้ปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจออกจากร่างแล้วก็ไปว่าร่างกายตรงนั้นก็นอนทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ต่นฟืนทำมันแต่ว่าใจตรงนั้นออกจากร่างแล้วไม่ตายเลยไปเกิดปฏิสนธิใหม่อีกก่อนที่จะไปนั้นท่านบอกว่ามีมบาปมีบุญเป็นผู้ต ก, ตกแต่งใจตรงนั้นถ้งว่าใครทําบาปใจตรงนั้นก็พาไปตกนร ก, มกหมกไหมเป็นสัตว์ที่รชนันไปเกิดเป็นเป็ดเป็นผีไป แต่ถ้าว่าใจดวงนั้นได้สร้างบุญกุศลมีคุณภาพมีคุณธรรมใจดวงนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงสงขึ้นไปเป็นเทวปุถุเทวดาอินพรหมไปได้เพราะว่าใจดวงนั้นไม่เสื่อมไม่ตายไม่สลายคือวิญญาณนั่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะรู้จักหรือว่าอยากจะพิสูจน์เรื่องพุทธศาสนานี่นะให้ภาวนากําหนดล ม, มาหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับตัวเองนะ ภาวนาพุโทโธพุโทโธหรือไม่พุโทโธก็ได้เพียงแต่ให้มีสติอยู่กับตัวเองสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอทีนี้เราจะรู้ได้ดังนั้นค่อยศึกษาไปนะต้องถามต้องไถ่ไม่รู้ว่าวิช า, ขาแขนงไหนก็เถอะนะเท่าเพียงแต่รู้เบื้องต้นเท่านั้นเองต่อไปแล้วก็ศึกษาถ้าเราสนใจแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยเรื่นี่นะรักของพุทธศาสนาก็ศึกษาไปเรื่อยๆเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อศึกษาอยู่เนะี่ยศึกษาไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่มีที่สิ้นสุด ที่สิ้นสุดจริงๆก็ว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสเมื่อไหร่เมื่อนั้นแปลว่าจบเป็นอเศคะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเพราะงั้นแต่ถ้าว่ายังไม่หลุดพ้นทุกอยู่ตราบใดนะยังเป็นเสคะยังเป็นผู้ศึกษาอยู่้าว่าหมดจากกิเลสเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นพระอเศคะผู้ไม่ต้องศึกษาจบบริบูรณ์ในหลักของพุทธศาสนาแต่ถ้าว่ายัง จิตใจยังไม่หลุดจากกิเลสแล้วยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วยังเป็นผู้ศึกษาอยู่เป็นพระเสขะอยู่นะอันนี้พวกเราทั้งหลาย เ, ยเสขาเหมือนกันเป็นผู้ยังศึกษาเราก็จะต้องไตรตรองไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆไม่ใช่จบอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เ, เราจะไปพูดว่าเอ้ยมันยุ่งยากเหลือเกินมันก็จบ นะมันก็ไม่มากกว่านั้นอไม่รู้ว่าวิชาแขนงไหนก็ตามเ อ, อวิชาอาชีพแขนงไหนก็ตามที่เราเรียนเราศึกษาเนี่ยใครใครก็ไม่รู้ทั้งหมดนั่นแนหะแต่เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆจนไต่เต้าขึ้นไ ป, ไปจนถึงปริญญาตรีโทเอกเอกแล้วก็ยังไม่จบเลยนะยังมีอีกเหมือนกันเถอะ อ, อ, อยังอาชีพยัง ม, มีวิชาแขนงอื่นๆเพิ่มเติมไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนา เราก็ต้องศึกษาเรื่องทานเรื่องศิล์เรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนมากต้องศึกษาให้เข้าเข้าใจจริงๆ จ, จากนั้นก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติตั้งแต่เริ่มสมาธิเนี่แหละจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นสมาธิเนีแล้วจิตใจสมาธิมีกี่อย่างปัญญามีกี่อย่างนี่พลิกจิตใจยังไงจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดกล่าวไว้หมดบอกไว้หมดนะ เพรานั่นพวกเราเป็นพุทธมามะกะนะพุทธบริษัทควรอย่างยิ่งควรจะศึกษานะในภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนฟังธรรมเทศนาไปก่อนจากนั้นก็ตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนนะแต่คนไม่มีความเชื่อแล้วมันมันก็เหมือนกับปิดทั้งหมดแล้วสาดน้าเท้าไปมันก็เข้าไม่ได้เพราะมันปิดหมดแต่ถ้าว่ามีศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่า เอ๊เป็นไปได้หรือเปล่าเอ๊อันนีควรจะศึกษาหรือเปล่าเอ๊อั น, นิีควรจะทําดูเน่ค้ายๆก็ว่าให้มีข้อสงสัยอยู่ในใจไว้นะเน่ต่อไปก็เปิดขึ้นไปเออเอเอเออถูกต้องถูกต้อ ง, องนะผลที่สุดอืม้มใช่สมัยก่อนเราเปิดใจของเรามากเกินไปเน่บัดนี้เราเปิดใจของเราให้รับรู้รับทราบธรรมะก็เข้าสู่จิตใจของเราเน่ธรรมะของพระเจ้าเนะี่ยเป็นปัจจิตตังเลยผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ เหมือนกับเราทานอาหารเผ็ดเค็มอย่างนนั้นเขาจะอธิบายให้ฟังยังไงเราก็ไม่เข้าใจถ้าเราได้กินเข้าไปในลิ้นของเราเมื่อไรไม่ต้องถามใครอันนี้ธรรมะของผู้ใจเจ้าก่อนอย่างนั้นแหละนะถ้าต่อ น, นี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร